ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติอ น, นั่นคือประโยชน์สูงสุดอันนี้ในการฟังธรรมในวันนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังก็อาจจะยากหน่อยแต่คนที่เคยฟังแล้วก็จะไม่ยากค่อยรู้ไปเรื่อยๆ นี่มันมีคำอยู่สองคำที่ไม่ก่อยมีใครเข้าใจมีคนพูดแต่ไม่เข้าใจพูดนะมันพูดได้พูดง่ายแต่เข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจคือคำว่าภาวะกับสภาวะเนี่ยสองคำนี้นส่วนมากผู้ปฏิบัติ ชอบพูดกันว่าสภาวะสภาวะถามว่าอะไรสภาวะก็ไม่รู้นี่เราควรที่จะรู้สองคำคำนี้ภาวะแปลว่าความมีความเป็นความมีความเป็นเช่นว่าเราเป็นคนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นหมอเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นนั่นเป็นนี้นี่เรียกว่าภาวะ แต่นี้อีกคำหนึ่งก็คือคําว่าสภาวะสะภาวะแปลว่าสิ่งที่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันเป็นเองโดยอัตโนมัตินั่นเรียกว่าสภาวะทีนี้ฟังดูว่ามันจะเป็นเองอย่างไรสิ่งที่เป็นเองเช่นว่าเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นเองไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติเรามีกิเลสประจําอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งชื่อว่านิจจังนิจจังแปลว่าเที่ยงเป็นอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของถาวรไปหมดร่างกายก็เป็นของเที่ยงจิตใจก็เป็นของเที่ยงวัตถุก็เป็นของเที่ยง อะไรก็เป็นของเที่ยงไปหมดที่นี่ที่ตรงกันข้ามก็คือคำว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอิเลสสามตัวนี้คือนิจจังจุ ข, ขังอัตตาถ้าอบอกว่าเราคนคนหนึ่งมีประตูอยู่3ามบานประตูสามบานนี้ปิดอย่างมิดชิดไม่ให้ใครเข้าปิดอย่างมิดชิด ก็คือปิดตัวเองจนปัญญาก็ไม่สามารถที่จะก้าวได้เพราะฉะนั้นคําว่านิจจังมันต้องรู้ว่าไอ้ตัวนิจจังนั่นคือความเที่ยงแต่ทํำยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าถ้าจะรู้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งสรรพสิ่งไหลเรื่อยเกิดดับไหลเรื่อยเกิดดับไหลเรื่อย ร่างกายนี้ก็เกิดดับไหลเลื่อยจิตนี้ก็เกิดดับไหลเลื่อยนี่ไงรองเรารองปีนิพพิจารณาร่างกายแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันก็จะไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยนี่เรียกว่าอานิจจังดังนั้นพระพุทธเจ้าจะจะรู้ก็คือรู้อนิจจังรู้อนิจจังแต่ว่าเราไม่ยอมเปิดประตู เมื่อเราไม่ยอมเปิดประตูเราก็เห็นว่ามันนิจจังอยู่เรื่อยคือมันเห็นสั้นสั้นเห็นแคบแคบนิจจังนี่มันเห็นแคบแค่เห็นว่านิจจังคือตัวเรานี่เป็นของเที่ยงจิตก็เป็นของเที่ยงร่างกายก็เป็นของเที่ยงสัพพสิ่งก็เป็นของเที่ยงดูเป็นของเที่ยงเป็นของถาวรยั่งยืนไปหมดเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลง นั่นได้กว่าเห็นแต่นิจจังดังนั้นเราจะต้องเห็นอนิจจังเห็นเปิดประตูออกมาเสียเปิดประตูประตูที่หนึ่งคือประตูแห่งนิจจังให้เห็นอนิจจังเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นทีนนี้เมื่อเห็นอนิจจังเสร็จแล้วประตูบานที่สอง เราก็พยายามหาความสุขทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างอันนั้นมันประสาทที่รับรู้แล้วมันเกิดความพอดีขึ้นมาเช่นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันพอดิบพอดีมันพอดีพอดีเราเรียกว่ามันสวยงามทีนี้เราก็ก้าวไปยึดถือเรียกว่า มันพอดีเช่นเราเห็นว่าคนคนหนึ่งหน้าตาสวยหน้าตาสวยคือมันพอดีจมูกมันก็ตั้งอยู่ตรงพอดีตาก็พอดีคิ้วก็พอดีปากก็พอดีมันรับกันได้นั่นคือความเหมาะสมแต่เสร็จแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็พอใจเราก็คิดว่านั่นมันเป็นความสุขหรือว่าเราไปเห็นดอกอย่างง่ายงาเช่นว่าดอกกุหลาบ ดอกผูหลาบดอกย่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมสีแดงเราก็วาดสวยเราก็ได้แค่นั้นว่าสวยแต่เราไม่เห็นว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเราไม่เห็นว่าดอกผูหลาบนี้ตอนเย็นมันต้องเหี่ยวมันต้องเฉาแล้วมันก็ต้องแห้งไปนั่นเราไม่เห็นทีนี้พอเราไปเห็นอย่างนั้นเราก็ว่าเป็นสุก ข, ขังสุก ข, ขังเราเห็นร่างกายตัวเองเห็นหน้าของตัวเอง เห็นหน้าของตัวเองในกระจกะเราก็เห็นว่าเออคิ้วก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยปากก็สวยหรือบางทีเราก็ว่าไม่สวยสวยก็เป็นทุกข์ไม่สวยก็เป็นทุกข์เฉยๆก็เป็นทุกข์นั่นเรียกว่าเปิดประตูบานที่สองออกมาเสียประตูที่ว่าสุขขังคือความสุขที่เราหาความสุขทางตาก็ดี ความสุขทางหูเสียงเพลงเพราะเพราะเสียงคนเขพูดได้ฟังเพราะเพราะเสียงนกร้องเสียงอะไรแั่อะไรนี่เราชอบเสียงเพราะเพราะมันเสียงนั้นมันพอดีกับประสาทหูถ้ามันดังเกินไปมันก็หัวหูถ้ามันเบาเกินไปก็ไม่ได้ยินนี่เรียกว่าประสาทนี่เรียกว่าประสาทเราหาความสุขกับประสาท แต่ไม่ได้หาความสุขด้วยความเป็นจริงดังนั้นความสุขทางตาก็ดีความสุขทางหูก็ดีความสุขทางจมูกเราก็ชอบกลิ่นหอมหอมกลิ่นเหม็นเราไม่ชอบแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราต้องรู้ว่นี่สุขเวทนานี่ทุกเวทนาอันนี้อาทุกขมาสุขเวทนาเวทนาทั้งสามเกิดดับ เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทีนี้ต้องเลยไปพ่อที่ซีโน่นจึงจะเห็นธรรมะโดยปัญญาแเอว่าจุญญตาจุญญตาแห็ว่าเอ้านี่มันว่างนี่มันว่างหน้าตาเรานี่มันก็ว่างดอกกุหลาบที่เราเห็นมันก็ว่างเพราะว่ามันจะต้องเป็นดอกภลมิเป็นดอกบานเป็นดอกเหี่ยวเฉา ถ้าไปแห้งไปอะไรนี่ออกนี่มันอนัตตานี่นั่นเรียก ว, ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนิจจังเป็นสุขขังไม่ต้องเอานิจจังไม่ต้องเอาสุขขังไม่ต้องเอาอัตตาก็คือตัวกูตัวที่สามนี่แหละตัวสําคัญนับมันเห็นว่าเป็นอัตตาไปหมดตัวกูนี่มันต้องเทีย่ยงตัวกูมันต้องไม่แก่ตัวกูมันต้องไม่เจ็บตัวกูมันต้องไม่ตายนี่ มันเห็นตัวกูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือตัวอัตตาทีนี้ตามความเป็นจริงมันเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิจจังไม่เที่ยงทุกขังทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เราไปเห็นว่าเป็นสุขนี่เหมือนกับว่ามีคนไปสุ่มปลาที่ในนาไปสุ่มปลาเสร็จแล้วก็ในสุ่มติดงูพอติดงูคนล่วงขึ้นมาได้ จับกอขึ้นมาได้ก็คิดว่าปลาคิดว่าปลางูนั่นมันก็กัดเอานั่นเรียกว่าทุกขังทุกขังทุกขังเพราะฉะนั้นอนิจจังตัวหนึ่งทุกขังตัวหนึ่งอนัตตานะ่ะไม่ใช่ตัวกูอาตมาเคยพูดเขาพูดบ่อยๆตอนนี้ว่าให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูเอาไว้ไม่ใช่ภาวนาว่ากูไอ้กูนะ่ะภาวนาอยู่บ่อยแล้วคือตัวตน เรียกว่าเป็นตัวตนเห็นว่าเป็นตัวตนที่นี่เราต้องการที่จะเห็นธรรมะว่าทมันไม่มีตัวตนเพราะมันเปลี่ยนแปลงตัวตนนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกในจักรวาล น, นี้มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราขาดปัญญาเพราะเราขาดอานิจจัง เรากาดทุกข okay. ังเรากาดอนัตตาในสามตัวนี้ดังนั้นเราต้องเปิดประตูเปิดประตูนิจจังออกไปเสียผลักนิจจังออกไปเสียสุขขังก็เห็นว่ามันเป็นสุขอย่างไยไม่เห็นมันเป็นสุขเลยมันมีแต่ความทุกข์เป็นพ่อก็มีความทุกข์เป็นแม่ก็มีความทุกข์เป็นลูกก็มีความทุกข์มีทรัพย์สมบัติก็มีความทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีความทุกข์ มันมีแต่ทุกอย่างเดียวมีแต่ทุกอย่างเดียวนั่นเรียก ว, ว่าไม่ใจสุขขังมันเป็นทุกข์ังชีวิตนี้หรือว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะรู้พระองค์ก็สอนอยู่สองอย่างคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์มีสองอย่างเท่านั้นในที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ทีนี้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราเห็นสุข ไอ้สุขนั้นมันก็คือทุกข์แต่เราเที่ยววิ่งตามจับหาอยู่เหมือนกับจับเงาตัวเองอย่างนั้นจับเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งดังนั้นเราต้องรู้ว่าอนิจจังตัวหนึ่งทุกขังตัวหนึ่งอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างหนึ่งนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยปัญญาดังนั้นชาวพุทธนี่จะต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะเห็นไม่ได้ นิจจังปิดประตูอย่าปิดประตูแค่ทีเดียวประตูนิจจังประตูทุกข์ขังประตูอัตตาเราเปิดออกเปิดออกเอาโ ง, โง่นั่นออกให้หมดเราเอาปัญญานี่ข้าวไปเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะ่นเราเอาข้าวไปจะได้เห็นตามความเป็นจริงเื่อเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นสิ่งตั้งพวงตามความเป็นจริง เราก็จะเห็นทุกว่าโอ้ทุกนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใอได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอนทางให้ถึงความดับทุกต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็จะเห็นนั่นคือโอนทางเพราะฉะนั้นปัญญาศีนสมาธินั่นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นคือเป็นหอนทางเป็นหนทางที่จะทาให้เกิดปัญญาขึ้นมา ที่นี่ที่เกรนไว้ในเบื้องต้นว่าสองคำคือคำหนึ่งว่าภาวะกับสภาวะภาวะคือความมีความเป็นตอนนี้เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นหมอเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นพยาบาลเราเป็นอะไรก็ตามใจนั่นเรียกว่าภาวะภาวะภาวะคือความเป็น เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเป็นคนสวยก็เป็นทุกอย่างคนสวยเป็นคนรวยก็เป็นทุกอย่างคนรวยเป็นคนจนก็เป็นทุกอย่างคนจนนั่นคือเป็นเป็นนั่นเรียกว่าภาวะทีนี้อีกคำหนึ่งว่าสภาวะสภาวะแปลว่ามันเป็นเองมันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันเป็นเองสานะแปลว่าเองภาวะนะแปลว่าเป็นมันเป็นเอง มันเป็นเองมันเป็นเองโดยเราไม่แกล้งไปเป็นมันแต่มันเป็นมันเองโดยอัตโนมัติทีนี้ที่มันเป็นโดยกิเลสตัณหานั้นมันเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเป็นเองอย่างนั้นไม่เป็นไรเช่นว่าในเรื่องของความว่างความว่างอานิจจังตัวหนึ่งทุกขังตัวหนึ่งอนัตตาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่สี่คือสุญญตาที่ว่าตัวสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่าง ความว่างไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันว่างจากตัวตนฉันั้น <scor Tot. S 2> ความว่างเปลว่าว่างจากตัวตนในห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้มันว่างมันมีคนนั่งกันอยู่เต็มแต่ว่าโกว่างเพราะคนเหล่านั้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาและก็เป็นสุญญตาเป็นคนที่ว่างว่างจากตัวตนว่างจาก ตัวตนก็คือเขาไม่กล้าไปยึดถือความเกิดไม่กล้าไปยึดถือความแก่ไม่กล้าไปยึดถือความเจ็บไม่กล้าไปยึดถือความตายานั่นเรียกว่าว่างว่างฉะนั้นเราอย่าไปยกเมฆว่าว่างก็คือว่างไม่มีอะไรฉะนั้นมันว่างอันธพาลว่างของคนโ ง, ง, ง่ว่างมันมีทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีที่นี่เป็นโดยไม่ต้องเป็นเป็นแม่ ก็เป็นโดยที่ว่าเรามีลูกออกมาเราก็มีหน้าที่ในการที่รับผิดชอบเราเป็นแม่แต่ไม่ต้องเป็นทุกไม่ต้องเป็นทุกเป็นโดยไม่ต้องเป็นเป็นแม่ก็เป็นโดยไม่ต้องเป็นเป็นพ่อก็เป็นโดยไม่ต้องเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นโดยไม่ต้องเป็นเป็นโดยไม่ต้องเป็นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกเพราะเป็นโดยการที่ไม่ก้าวไปยึด ถือเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเต่อในทางโลกนะแต่เราไม่กล้าไปยึดถือจึงขอบอกว่าเราจะต้องรับปริญญาสองใบปริญญาใบแรกก็คือปริญญาทางโลกปริญญาใบที่สองก็ปริญญาของพระพุทธเจ้าต้องรับปริญญาของพระพุทธเจ้าแต่รับปริญญาของพระพุทธเจ้าเป็นโดยไม่ต้องเป็นมีโดยไม่ต้องมี มีเงินมีทองมีทรัพสมบัติมีอะไรมีเงินก็ฝากไว้ในธนาคารเวลาจําเป็นที่จะต้องใช้ต่ต้องจ่ายก็ไปเอามาเอามาใช้เอามาจ่ายแต่ไม่ต้องเอามานอนในเป็นทุกข์นั่นเรียกว่ามีโดยไม่ต้องมีมีโดยไม่ต้องมีเป็นโดยไม่ต้องเป็นไม่ใช่ว่าเราเป็นหมอแล้วเราภาวนาอยู่ฉันเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอ ฉันจะต้องพูดอย่างนี้ฉันจะต้องทําอย่างนี้ฉันจะต้องกินอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ฉันจะต้องมีรถเบนขี่อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์เป็นโดยไม่ต้องเป็นหรือเป็นโดยการที่ไม่เข้าไปยึดถือนั่นเรียกว่าสภาวะสภาวะเป็นโดยการที่ไม่เข้าไปยึดถือนั่นแหละไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นอะไรเป็นแม่ก็เป็นทุกข์ เป็นพ่อก็เป็นทุกข์เป็นลูกก็เป็นทุกข์เป็นคนจนก็เป็นทุกข์เป็นคนรวยก็เป็นทุกข์นั่นคือภาวะอย่างนั้นก็เรียกว่าภาวะแต่ถ้าเป็นโดยไม่ต้องเป็นเรียกว่าสภาวะเป็นคนรวยก็อยู่อย่างนั้นอยู่พอดีพอดีเป็นคนสวยฉันไม่เห็นอะไรมันสวยที่ไหนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนสวยอย่างนี้สวยเราก็แบ่งแยกที่แบ่งอก ตาไปไหว้ที่หนึ่งเอาหไปไหว้ที่หนึ่งเอาจบูกไปไว้ที่หนึ่งเอาลิ้นเอากายเอาใจเอาเครื่องเอาวัยวะต่างๆนี่แยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนอย่างนี้เรียกว่าแยกให้เป็นส่วนย่อยแล้วมันจะสวยที่ตรงไหนเน่ยนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่สวยหรอกฉะนั้นสวยมันก็จะสวยอยู่ในระยะหนึ่งมันพอดีอยู่ในระยะหนึ่ง พอมันแก่แล้วมันก็ดูไม่ได้เป็นธรรมชาตินั่นคือมันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นสภาวะแต่ถ้าหากว่าภายในสวยจิตใจสวยนุ่มก็สวยกลางคนก็สวยแก่ก็สวยเท้าก็สวยเป็นคนป่วยก็สวยมีจิตใจที่สวยภายในสวยคือ จิตใจเป็นสภาวะพบเห็นว่าจิตใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นสภาวะเองมันเป็นเช่นนั้นมันเองนี่พูดง่ายๆแล้วปฏิบัติง่ายๆว่าเป็นสภาวะที่เป็นเช่นนั้นมันเองทุกอย่างเเป็นสภาวะที่เป็นเช่นนั้นมันเองเป็นเช่นนั้นมันเองให้เห invasive, ็นว <ocus> ่าม <lim a. S 2> ันเป็นเช่นนั้นมันเองเป็นเช่นนั้นมันเองอย่าไปเห็นเหลี่ยมเดียวอย่าไปเห็นมุมเดียว เราต้องเห็นในหลายหลายมุมเห็นว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นมันเองแก่มันก็เป็นเช่นนั้นมันเองเจ็บเราที่เป็นหมอนี่เราก็เห็นคนเจ็บบ่อยๆเจ็บมันก็เป็นอย่างนั้นมันเองแก่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างมันเองตายมันก็เป็นอย่างนั้นมันเองก็เลยไม่มีเราตายแต่มันเป็นอย่างนั้นมันเองเป็นอย่างนั้นมันเองนี่เรียกว่ามันเป็นสภาวะ ความเกิดก็เป็นสภาวะความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นสภาวะเป็นสภาวะที่มองคนละมุมมองคนละมุมเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นมันเองเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นมันเองจําให้ดีๆเราไปเห็นดอกไม้เห็นของสวยของงามห็้ว่ามันเป็นสภาวะนี่เป็นอย่างนั้นมันเอง เดียวมันก็เหี่ยวเดียวมันก็โฉวเสื้อผ้าใหม่ๆไม่เท่าไหร่มันก็เก่าแก่เราก็หยุดใช้เพราะมันแก่มันไม่สวยมันฉีกขาดก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเองรุงเท้ารองเท้ามันก็เป็นอย่างนั้นมันเองทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันเองดังนั้นนี่มันเป็นสภาวะเรียกว่าเป็นสภาวะที่เป็นอย่างนั้นมันเอง ทนี้ไอ้เป็นอย่างนั้นมันเองเราเรียกว่าสุญญาตาสุญญาตาคือความว่างสุญญาตามีอยู่สมระดับระดับที่หนึ่งสุญญาตาระดับที่หนึ่งก็คือเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นมามันก็ต้องการโดยที่ว่าไม่รู้สิตัวเราเกิดเครียดขึ้นมาเราอยากจะไปให้มันพ้นๆเราอยากจะไปอยู่ที่เงียบเงียบ ไปนั่งในสวนไปข้าไปในป่าไปถ้ำไปเขาไปน้ําตกไปทะเลเนี่ยมันอยากเงียบเงียบมันอยากนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติมันเรียกร้องตัวนี้เราก็ไปนะพอมันเกิดความเครียดขึ้นมาจะนว่าทํางานทั้งเดือนทั้งปีพอมีวันหยุดก็อยากจะไปเที่ยวน้ําตกที่ไหนต่อที่ไหนเออคนที่มีเงินมีย้อยมากๆ ก็อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปทํามอยไปต่างประเทศก็คือไปดูธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติที่มันสงบเย็นธรรมชาติที่มันสงบเย็นพอไปถึงไปเจอธรรมชาติที่สงบเย็นทําให้ความเครียดนั้นหายไปเหมือนกับปิดทิ้งเพราะเราไม่กล้าไปยึดถือแล้วเมื่อก่อนเรากล้าไปยึดถือเจอกับคนป่วยทุกวันทุกวันทุกวัน มันไม่นา่าพี่รมเลยมันไม่สวยไม่งามเลยอยู่อย่างนี้เจ้าก็เป็นอย่างนี้ถ้าหมอคนไหนที่มีคลินิกยิ่งไม่ได้พักผ่อนใหญ่เลยตอนกลางวันก็ทำงานโรงพยาบาลพอตอนค่ำก็ไปอยู่คลินิกออกจากคลินิกก็กลับบ้านอาบน้ำอาบตากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็นอนนอนเช้าก็ไปทางานอีก อ, อนนอนกอยู่อย่างนั้นวนเวียนเป็นวัตจักรอยู่อย่างนั้น มันก็เลยเกิดความเครียดเกิดความเบื่อขึ้นมาเมื่อก่อนน้ะชอบชอบเป็นหมอนี่ดีนะรวยรวยว่าอย่างนั้นเป็นพยาบาลนี่ก็ดีนะจะได้รวยรวยเมื่อก่อนน่ะชอบพอพอมาเป็นเอจริงๆมันก็ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเลยไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมันจะให้เกิดความเครียดดังนั้นเราทํางานก็คือทํางานทํางานไปแต่อย่ามีเรา อย่ามีเราเยกจิตออกไปว่าอย่ามีเราให้มันเป็นสภาวะไม่ใช่เราทําไอ้ที่ทำนิสติปัญญามันทําไม่ใช่เราทำเป็นเป็นหมอผ่าตัดอย่างเนี้อาจารย์มีเด็กอยู่หลายคนที่อเรียนแล้วก็เป็นหม อ, เ, อเคยไปสอนโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงม .4 เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นหมอกันเป็นพยาบาลกันเป็นอะไรกันเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า อาจารย์ผมไม่ไหวแล้วแต่เป็นยังไงเพราะว่าตามปกตินะโรงพยาบาลพัทลุงนี่จะต้องมีหมอเก้าคนแต่นี่มีหมอสองคนผมเหนื่อยเือกเกินแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เราต้องคิดว่าเออเราช่วยคน ห, หนึ่งได้บุญสองเราได้เงินบุญก็ได้เงินก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นภาวะให้เป็นสภาวะ เป็นสภาวะาคือเป็นสภาพที่ว่างจากตัวตนมันเป็นไปอย่างนั้นเองก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อทำหน้าที่เป็นหมอก็เป็นเพื่อทำหน้าที่เป็นพยาบาลก็เป็นเพื่อทำหน้าที่เป็นพระก็เป็นเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้เข้าถึงการทำหน้าที่เรียกว่าเพื่อหน้าที่เราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำด้วยสติปัญญาแค่นั้นเอง นี่เรียกว่าเป็นให้เป็นเป็นอะไรก็เป็นให้เป็นถ้าเป็นไม่เป็นนี่ก็จะเป็นทุกข์จำมาว่าถ้าเป็นไม่เป็นนี่จะเป็นทุกข์เป็นแม่ก็เป็นทุกข์เป็นพ่อก็เป็นทุกข์เป็นลูกก็เป็นทุกข์เป็นนักเรียนก็เป็นทุกข์เป็นนักศึกษาก็เป็นทุกข์เป็นหมอก็เป็นทุกข์เป็นพยาบาลก็เป็นทุกข์เป็นปอก็เป็นทุกข์เป็นอะไรก็เป็นทุกข์หมดเเป็นทุกข์ทางนั้นเลยถ้าเป็นไม่เป็น เป็นคนรวยก็เป็นทุกเห็นไหมคนรวยนั่นแหะที่ตัดสินกันเมื่อไม่กี่วันนี่เจ0 0 0มล้านนั่นเจ็ดหมื่นพนล้านเนไหมเป็นทุกเนี่ยเป็นทุกเพราะอะไรเพราะว่าได้ปริญญา บ, าบัตรใบเดี่อได้ปริญญา บ, าบัตรใบเดียวแต่ทางโลกแต่ทางธรรมไม่ได้ถ้าได้ทางธรรมก็คงไม่ต้องเป็นทุกก็สามารถที่จะแจกจ่าย ใ, ให้ผู้อื่นแต่ว่าเอานี่ทาง ประเทศชาติหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยึดไปแล้วส่วนนั้นที่ยังเหลืออีกเจ้าหน่อยยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส่วนหนึ่งไว้กินเองไว้กินเองส่วนที่สองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใครที่เรียนหมอแล้วเสร็จแล้วเงินไม่พออย่างนี้ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือคนทั้งประเทศเลยนี่ไม่ได้ไปช่วยเหลือ ไม่มีใครคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันกูมีกูเป็นมันเป็นภาวะทางนั้นเมื่อวานอ่านหนังสือพิมพ์มีคนหนึ่งสอบอได้ไปเรียนญี่ปุ่นไอ้ไอ้กไ็ไปเรียนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเป็นคนเก่งแต่เสร็จ แ, แล้วเป็นยังไงเสร็จ แ, แล้วก็ไม่มีเงินเรียนผู้ปครอตายเลยผู้ปครอตายเลยนี่ทางภาคอีสานเห็นไหม นี่เนเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่เป็นเยมันใชสติปัญญาใหมันเป็นไม่ใช่เป็นแล้วไม่มีสติปัญญาต้องมีสติปัญญาเป็นเป็นหมอก็ต้องมีสติปัญญาถ้ามีสติปัญญาแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันเองคนเจ็บก็เป็นอย่างนั้นมันเองคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นมันเองคนตายก็เป็นอย่างนั้นมันเองตายแล้วมันต้องเน่าก้าวลง แต่มันต้องเผาหัวกันมันก็จบกันแค่นั้นแต่ว่าเราจะให้มันจบแค่นั้นเราจบมันเสียก่อนให้ปริญญาของพระพุทธเจ้านี่เราเรียนให้จบเสียก่อนต่วันที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงอยู่เมื่อตัวเราจบแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เยอะแยะเต็มไปหมดนี่เรียกว่าเป็นโดยที่ไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเติ คนไปถามว่าพระองค์เป <Tr> ็นพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรพระองค์เป็นเทพเราก็ไม่ได้เป็นพระองค์เป็นคนทันเราก็ไม่ได้เป็นพระเอ็นองค์เป็นพรหมเราก็ไม่ได้เป็นพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรพระองค์เป็นหมอรักษาคนเหมือนการพระพุทธเจ้ารักษาในด้านจิตใจรักษาในด้านจิตใจเคยมีความทุกข์ก็ต้องไปหาหมอพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ยาให้ยาไม่ใช่ยาเม็ดไม่ใช่ยาทาแต่พระองค์ก็ให้ยากินเลยคือยาอะไรยาจอยยาธรรมะพระองค์จะให้ยาธรรมะว่าถ้าเป็นทุกข์อย่างนี้ต้องเอาข้อนี้มาปฏิบัติเป็นทุกข์อย่างนี้เอาข้อนี้มาปฏิบัติทีนี้มันก็เป็นทุกข์เหมือนๆกันเลยแต่ละคนแต่ละคนเป็นทุกข์เหมือนๆกันทางนั้นเนี่ยให้ยาไม่ยากหรอกยาขนาดเดียวก็คือยาสําหรับที่จะแก้ทุก ก็คืออย่าไปมีตัวกูมันถ้าไม่มีตัวกูแล้วทุกมันจะเกิดที่ตรงไหนถ้าไม่มีตัวกูอย่าไปมีตัวกูเราไปกินดูดีอย่านี่พอเกิดความทุกข์ เ, เกิดมาพอเกิดเกลียดขึ้นมาภาวนามันเรื่อยเลยภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นนี่คือสภาวะไอ้ไม่ใช่กู น, นี่คือสภาวะแต่ถ้ากูนะมันเป็นภาวะจะ ไม่ใช่ครูมันเป็นสภาวะคือที่มันเป็นเองมันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นมันเองทีนี้เราต้องการความว่างเราต้องการความว่างมันก็ได้เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยคือทุกคนก็ว่างทางนั้นนี่ยถ้าเราไม่ไม่ธรรมชาติไม่ช่วยมันก็บ้าตายกันหมดแล้วแต่นี่เรามีความว่างคนธรรมดามีทางออกมีทางบอกบางทีกาเปลี่ยนเนี่ยเรียกว่าเออตอนเย็น ตอนเย็นนะทำยังไงไปออกกําลังกายจะหน่อยหนึ่งไปเล่นฟุตบอลไปตีเวดบินตันไปอะไรนี่เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ในการเปลี่ยนอารมณ์มันเช่นเราไปเล่นฟุตบอลอย่างนี้มันก็ไม่คิดถึงลกูกไม่คิดถึงเมียไม่คิดถึงรวยไม่คิดถึงจนไม่คิดถึงตัวกูมันไม่คิดถึงไงตอนนั้นนั่นนะ่ยคือมันว่างโดยอัตโนมัติ แต่ว่ามันว่างไม่ตาวอนเทนี้เมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นมาเราก็ไปทะเลก็ไปถึงทะเลเห็นทะเลโอ้มันเปิดมันโล่งมันว่างเราก็พูดไม่ได้ว่าอะไรบอกไม่ถูกหรือว่าไปที่น้ำตกก็ไปถึงน้ำตกยังไปยังไม่ถึงเลยยังได้ยินเสียงน้ำตกเสียงดังจ่าช่าจ่า เพียงได้ยินเสียงเราก็สบายแล้วแล้วก็เย็นว่าฟว่าฟ้าวาฟ้าวเออนี่มันสบายอย่างนี้เพราะนั้นคนก็เลยชอบไปเที่ยวน้ําตกกันอะไรกันนั่นคือทําให้จิตมันว่างนั่นเรียกว่าว่างโดยธรรมชาติธรรมชาติมันง่ายมันง่ายไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ว่างเราก็บ้าตายกันหมดแล้วนี่เราก็มีว่างเดียว่าว่างเนี่ยมันจะเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงพวกเราเอาไว้นี่ว่างประการที่หนึ่ง ว่างประการที่สองเราต้องบังคับว่างประการที่สองบังคับบังคับด้วยการภาวนาบ่อยๆเป็นที่บอกว่าให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูทําทุกๆระยะเลยเดินเดินไปไหนก็ไม่ใช่กูเดินแล้วก็เดินภาวนาไปไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูทํางานก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยประการที่สองเรียกว่าคง ข่มมันข่มจิตตัวนี้ไอ้จิตตัวกูนั่นแหละอย่าให้มันมีตัวกูพอมีตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันเครียดมันเครียดมากอยถ้าไม่มีตัวกูบอกว่า <pir im less> ไม่ใช่กูไม่ใจกูไม่ใจกูตั้งเนื้อตั้งตัวนี่ไม่ใจกูเช่นว่าหลายคนที่เป็นอย่างนี้เช่นไปถ่ายปัิสาวะอย่างเนี้ยตัวภาวนาว่าไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูพอเห็นปัิสาวะนะานา้ปัิสาวะมันออกไป มันออกไปเออมันไม่ใช่กูจริงๆมันไม่ใช่กูจริงๆเงิน้ํนนาปัจจาว่าไม่ใช่กูกินก็ไปดื่มก็ไปเมื่อกี้นี้เองอ๋อเสร็จแล้วมันก็ออกไปแล้วบังคับไม่ได้นี่มันไม่ใช่กูไม่ใช่กู อ, อย่างอื่นก็เหมือนกันจะอุจจาระจะปัจจาว่าจะเป็นเหงื่อเป็นไคลเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่กูทั้งนั้นนไปพิจารณาดูแต่ต้องท่งคือภาวนาไว้มากๆ ภาวนาว่าว่าไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจไปท่องหรืว่ากูนี่เป็นหมอใครมาเหยียบย่ํากูไม่ได้ก็เหยียบไปที่ใครจะเหยียบก็เหยียบไปที่ใครจะย่ําก็ย่ําไปที่ไม่ต้องกูไม่ต้องเป็นเมื่อกูไม่เป็นเลยเหยียบก็เหยียบไม่ถูกไม่ถูกกูเพราะว่าตัวกูมันไม่มีทีนี้เขาบอกว่าอย่างชายชายที่ริมทะเลมีคนไปเดินย่ํา มีสุนัขไปขี่รถไปเหี่ยรถมีคนไปเดินเหยียบไปเหยียบมาเอาของจุกกระโกลไปทิ้งคาเสเเลดอะไรทิ้งลงไปแต่ทรายหละนั้นหาได้ดีเสียใจไหมทรายหล่านั้นก็หาดีใจไหมถึงจะเอาดอกไม้ทุบเทียนเอาไปบูชาทรายเหล่านั้นทรายหล่านั้นก็ไม่ได้ดีใจไปเหยียบย่ำทรายนั้นก็ไม่ได้เสียใจเราก็ต้องทํา จิตได้เหมือนกับแผ่นดินได้เหมือนกับทรายที่ริมทะเลที่คนไปเหยียบไปย่าอยู่อย่างนั้นนี่เราต้องต้องทําจิตใจอย่างนั้นทําจิตใจว่ามันไม่ใช่กูต้องอยู่กคำเดียวนี้ไม่ต้องมากคาถานี้ศัก์สิทธิมากแต่เราเห็นไม่ใช่กูเมื่อไหร่เมื่อนั้นปัญญามันเริ่มที่จะแตกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูนั่นคือประการที่สองประการที่สอง เมื่อเราทำไปนานๆนนกิเลสมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันมันก็ไเยี้ยันไปยี้อันไปยี้ยนันไปมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันทีนี้ระดับสุดท้ายความว่างหรือสุญญ า, าระดับสุดท้ายนะระดับสุดท้ายเราก็ต้องขุดรากถอนโคนมันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะปราบญากาปราบญากราแต่ปราบไม่เป็นมันก็ไม่ตายหรอก เอามีดไปตัดตัดตัดตัดตัดคืนเดียวมันก็ขึ้นแล้วขึ้นยอดมาอีกแล้วนั่นคือเรียกว่าไม่เป็นแต่ถ้าเราทําเป็นนี่เราทํำยังไงอเราตัดเราตัดเสร็จแล้วเราก็ขุดขุดแล้วก็ถอนถอนขึ้นมาแล้วก็สะบัดดินให้หมดอถอนสะบัดดินแล้วก็กองไว้กองไว้กองไว้กองไว้ ตากแดดก่อนตากแดดให้แห้งพอตากแดดแหงทังนี้เราก็ออกมาสุมไฟเผาไฟพอเผาไฟมันหมดเชือ้ออันี้ในทางที่ดีท่านบอกว่าโปรโยฮะโปรโ ย, ปรยมันไปตามลมไอ้ขี้เ ท, ท้านไปตามลมยญ้าคามันอยู่ตรงไหนดีเนี่อยอันนี้ไอ้กีเล็ดของเราก็เหมือนกับยญ้าคานั่นแหละเหมือนกับยญ้าคา ดังนั้นเราต้องกดลากถอนโกนมันนั่นคือระดับสุดท้ายพอกดลากถานน igung, อนโกนตัวกูออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความว่างว่างจิตนี้ก็ว่างจิตมีแต่ไม่ใช่จิตกูแล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนดูร่างกายร่างกายนี้ก็ไม่ใช่กูแล้วร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่มันเป็นธรรมชาติ มันก็ไม่ใช่กูแล้วร่างกายก็ไม่ใช่กูจิตก็ไม่ใช่กูเมื่อร่างกายไม่ใช่กูจิตไม่ใช่กูความเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูมันก็ไม่มีมีแต่ว่าเออธรรมชาติธรรมชาติเอ็นแต่ธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวกูมันเป็นธรรมชาติตัวกูมันมีขึ้นมาไม่ได้ทีนี้พอมันเกิดตัวกูขึ้นมาเมื่อไหร่เวันนั้นก็บอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูมันเป็นธรรมชาติ ก็เลยว่างหมดมันว่างว่างจากตัวกูที่ว่าว่างนี่คือว่างจากตัวกูเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าว่างจากตัวกูนี่เห็นไหมนี่เรียกว่าว่างระดับสุดท้ายทีนี้กว่าว่างจากนั้นความเกิดความรู้สึกก็ไม่ใช่กูมันเป็นธรรมชาติความแก่ก็ไม่ใช่กูแก่ความหนุ่มความสาวก็ไม่ใช่กูหนุ่มไม่ใช่กูสาวมันธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันเป็นสภาวะ มันเป็นอย่างนั้นมันเองมันเป็นอย่างนั้นมันเองเป็นสภาวะที่เป็นอย่างนั้นมันเองนี่เรียกว่าสภาพสภาพสภาพที่เป็นอย่างนั้นมันเองความเกิดก็ไม่ใช่กูความแก่ก็ไม่ใช่กูความเจ็บก็ไม่ใช่กูจนกระทั่งถึงความตายก็ไม่ใช่กูตายวันไม่มีกูแล้วใครมันจะตายดีนี้นั่นเองเพรามันตายมันตายแล้วกูมันตายไปก่อนแล้ว เมื่อกูมันตายแต่ก่อนตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่เรียกว่าเป็นคนกลางค น, ก, น, ก, น ก, กูมันตายแต่ก่อนแล้วพอกูมันตายแต่ก่อนแล้วว่าคนนั้นอยู่ด้วยกําไรทีนี้เกิดมาในชาตินี้ได้กําไรได้กําไรกับตัวเองแต่ก็ยังไม่พอใด้ช่วยเหลือผู้อืน่นอีกได้กําไรมหาศาเลเลยนั่นคือตัดตัวกูออกไวเสียได้เป็นการดีอย่างนี้ดะนั้นว่างสามระดับหนึ่งว่างเพราะ ธรรมชาติช่วยสองว่างเพราะการก่มเอาไว้สามว่างก็เพราะการกดรากถอนโคนตัวกูนั้นออกไปนายโยมอย่าลืมไปภาวนาไปภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูภาวนาได้ทุกอย่างกินอาหารก็ไปก็ไม่ใช่กูอย่างพระชนะอาหารนี่ <c oughs> เรียกว่าต้อง พ, andare, พิจารณาอาหารก่อนพิจารณาว่าอาหารนี่ก็เป็นของว่างคนที่กินอาหารนี่ก็เป็นของว่างเป็นของว่างดังนั้นทีนี้รสจาดอาหารก็เป <v irt name> AH ็นของว่างทีนี้เราก็ภาวนาเกียวทุกคำจะยิ่งไงละเอียดได้ก็ยิ่งดีเกียวอาหารทุกคมภาวนาว่าว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าว่างอย่างไงอาหารเป็นของว่างอย่างไร เพาอาหารที่เราได้มานี่มันมาจากเมล็ดข้าวแล้วออกมาทําให้มันเป็นกาวสารแล้วก็ทําให้เป็นกาวสุกแล้วทให้เป็นข้าวฉุกแล้วเราก็ทานได้ทีนี้พอใส่กาวอยมันก็เปลี่ยนแปลงวันที่บอกครั้งแรกในวันนิจจังน่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจนออกมาเป็นอุจจาระแล้วก็ไปเป็นดินตามเดิมอย่างนี้ นี่เพราะมันว่างจากตัวตนเว็ดขาสารไปอยู่ที่ไหนแล้วเล็ดข้าสุกไปอยู่ที่ไหนแล้วมันหายไปหมดแล้วนี่คือมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามากินเอามาใช้นี่อย่างเสื้อผ้านี่มันก็เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้านี่เราซื้อปีที่แล้วพอปีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราใช้มันมันก็เยนมันก็หมดมันก็หายไปมันก็ขาดวินไป นี่คือมันเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพระที่เขาเคร่งครัดจริงๆหรือภาคปฏิบัตินี่ก็ต้องยถาปัจยยางปวัตมานางังกาตุมัตมเตเมเวตังแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นจักแต่ว่าธาตตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเวตตามปัจใจยอยู่เรื่องนี้ยติีดังปินตปาปโต ท, ทาตุกปปุญญโกจปุกะโร สิ่งเหานี้คือบินตาบาดและโคนผู้บริโภค อ, อาหารบินตาบาดนั้นาธาตุมัตตโกเป็นสัจจว่าธาตุนิสัตโตมิใจเป็นสัตจะว่อันยั่งยืนนิชีโวมิใจเป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุกนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคําที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดก็คือคําว่าสุนโยชนโยสุนโยเร็ว่าว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน นี่ว่างจากความหมายความเป็นตัวตนนั่นต้องพิจารณากรที่จะฉันนะเอามาใส่ในบาเดียบร้อยแล้วก็นั่งพิจารณาพิจารณาแล้วก็ฉันแล้วก็ภาวนาไปว่าสักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างใส่ก็ไปคำที่หนึ่งสักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างเขี้ยวก็ธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างเดินก็ไปก็ธาตุว่างธาตุว่างธาตุ แนี่มันออกมาก็เห็นว่ามันเป็นธาตุว่างทีนี้นี่ในเรื่องของอาหารในเรื่องของเสื้อผ้าก็เหมือนกันหรือสบงจีวอนหรือเสื้อผ้าที่เราใส่นี่มันจัแไ่ว่าธาตุว่ า, า, วางนี่เราเสียวเวลาก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่จะไปไหนนี่เสียวเวลาในการแต่งตัวผู้ชายแต่งตัวมากกว่าผู้หญิงอีกสมัยนี้ทีนี้เป็นยังไง เลือกเท่อผ้าอยู่ทั้ง3าิบนาทีนี่เห็นไหมนั่ น, นคือมันยึดถือเท่อผ้ามันมากเกินไปไม่ใช่มันพอดีแล้วมันเกินพอดีไปดังนั้นผู้ชายใช้เวลาในการแต่งตัวไปโกนขนหน้าแข้งอยู่มั่งส่วนผู้หญิงก็ไปถอนจกักระแลอยู่มั่งอะไรมั่งหลายสิ่งหลายอย่างไปทาเล็บไปทาตาไปทาคิว้วเสียเวลาแต่ไปไปม า, มา ผู้หญิงแพ้ผู้ชายหรือเพศผู้ชายผู้ชายใช้เวลามากกว่าอีมากกว่าผู้หญิงอีนี่เรียกว่าตัวกูมันมากเกินไปนึกแล้วขำเหมือนกันอ่านแล้วก็ขำว่ า, วาเออนี่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนี่มันต้องทาปากมันต้องรองพื้นมันต้องอะไรผู้ชายก็ทำเหมือนผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันไม่เห็นเป็นของว่างทีนี้เราทำยังไงเราเองทำยังไง เรามองกระจกมองให้มันพอดีพอดีให้มันพอดีนี่ก็ดูว่ามันไม่ใจกูไม่ใช่กูภาวนาว่าที่ในกระจกนั้นที่เป็นเงาน่ยมันไม่ใจกูไม่ใจกูทําให้มันพอดีอย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปวีผมให้พอดีผัดแป้งให้พอดีตาปากให้พอดีให้มันพอดีพอดีถ้าไม่ทาได้ได้ก็เป็นการดีนี่เรียกว่าให้มันพอดีแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ นี่มันเป็นทุกข์มันเอาเวลาไปสิ้นเปลืองคื เ, เห็นไหมผู้หญิงเวลาตามที่จริงผู้หญิงน่าจะน่าจะแพ้แต่นี่ผู้หญิงกลับชนะเลยผู้ชายใช้เวลามากกว่าผู้หญิงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง45นาที45นาทีริกกี่นาทีแล้วลืมไปแล้วที่ตรงนี้นี่คือการแต่งตัวด้วยการยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูพอมองกระจกต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนมีสติมีสติว่าไม่ใช่กูในกระจกนั้นไม่ใช่กูไม่ใช่กูทีนี้ถ้าเห็นว่าลูกกระตาสวยถ้าควักลูกกตาออกแก้มันจะสวยยังไงหรือว่าเห็นว่าแก้มสวยอย่างนี้แล้วถลกหนังแก้มมาออกไปมันเป็นยังไงทีนี้หรือว่าเวลาตายแนละ้วเราก็เห็นคนตายกันบ่อย เวลาตายแล้วมันเป็นยังไงมันน่าเกลียดนี่ก็เหมือนกันเราวันหนึ่งก็จะต้องตายทีนี้ถ้าเรารู้จากนี้แล้วเราจะไม่ตายตายโดยที่ไม่ต้องตายแก่โดยไม่ต้องแก่เจ็บโดยไม่ต้องเจ็บนะหนุ่มไม่ต้องหนุ่มสาวไม่ต้องสาวนี่มันว่างมันจะว่างหมดนี่จะสวยคนนั้นจะสวยงามถ้าอย่างนี้นี่เรียกว่า ไม่ใช่กูตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่กูตัวเดียวจะชนะได้หมดเลยนี่ต้องทำอย่างนั้นในเรื่องของอาหารก็ต้องทำอย่างนั้นในเรื่องของเสื้อผ้าก็ต้องทำอย่างนั้นในเรื่องของที่อยู่ที่ที่อยู่ที่อาศัยเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นว่ามันไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูลองดูีิว่าไปสร้างบ้านแลสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านแต่ว่าเป็นหนี้เขา เป็นนี่เขาต้องจ่ายไปเดือนละสองห0ื0 0สามหมื่ต้องจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปพอคิดถึงทีหนึ่งก็เป็นทุกทีหนึ่งคิดถึงทีหนึ่งก็เป็นทุกทีหนึ่งแต่อีกคงอยู่บ้านที่พอดีพอดีไม่ใช่บ้านราคาล้านเป็นบ้านแค่ราคาแสนเขาก็อยู่ได้แล้วก็ก็ไม่ต้องเป็นทุกเพราะบ้านเรามันต้องมีห้องนอนกี่ห้องก็ไม่รู้ มีห้องนอนมีห้องรับแขกนีห้องน้ำห้องช่วงมีห้องเก็บของมีอะไรนี่มันทันสมัยเกินไปเพราะทันสมัยเกินไปมันก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเสนาสนะทำยังไงให้มันว่างสร้างบ้านว่างสร้างบ้านว่างสร้างบ้านว่างก็สร้างด้วยสติปัญญาสร้างบ้านว่างอีนี่เรื่องต่อไปก็อยู่ยารักษาโรค อยู่ยารักษาโรคก็ต้องออกมาพิจารณาก่อนคือกินยาก็ไปก็เพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางร่างกายถ้ามันหายก็หายถ้าไม่หายก็ตายเลยก็จ้างหัวมันนี่เวนคําเวนคําเวนคําเรียกว่าขอต้อนรับต้อนรับความตายที่มันรอเราอยู่มันจะเอาเราไปวันไหนเราก็เวนคํามันเลยนี่เรายอมรับเลยอย่างนั้นก็ได้กับว่าเราไม่ตาย เราไม่ตายแต่อย่างนั้นเนี่มันไม่ใจกูต้องใจถึงอย่างนั้นต้องใจถึงการปฏิบัติธรรมะนี่ต้องใจถึงอย่างนั้นเมื่อใจถึงในความแก่ก็ทําอะไรเราไม่ได้ความหนุ่มสาวก็ทําอะไรเราไม่ได้ความเจ็บก็ทําอะไรเราไม่ได้ความตายก็ทําอะไรเราไม่ได้เราตัวนี้ก็คือตัวสติปัญญาตัวสติปัญญาที่ไม่ใจกูตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจําออกไว้ให้ดีๆ ว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่มันศักดิ์สิทธิ์มากแต่มันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอันดับแรกก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนาัตตาแล้วก็ที่เราปิดประตูเอาไว้แม้มันออกก็คือนิจจังทุกขังอัตาเอานิจจังทุกขังอัตาออกเสียแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปทีนี้ประการที่สี่ก็สุญญาตา คือว่าเห็นเป็นของว่างเห็นร่างกายเป็นของว่างเห็นจิตใจเป็นของว่างเห็นสรรพสินเป็นของว่างทีนี้บอกเลยว่าว่างมีสาระดับคือว่างธรรมดาอย่างเด่นว่างธรรมดาที่เราไปปูเปาไปแม่น้ำไปทะเลไปที่โล่งๆหรือว่าไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ไปโน่นต้องจ่ายเงินแต่บ้านเรานี้ไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ไปที่โรงล่งที่ว่างๆที่สบายๆไปถึงเรียกสบายใจใจมันเปิด น, นั่นทําให้เกิดความว่างขึ้นมาแต่าว่างเพื่อกราวประการที่สองว่างโดยการขมา่มไว้เพราว่างประการที่สองนี่ที่บ้านก็ว่างได้ที่สํา น, นักงานเราก็ว่างได้ที่โรงพยาบาลก็ว่างได้ว่างได้แต่งนั้นทั้งนั้นเราขมา่มไว้เรียกว่างประการที่สองข้อข่มนานๆเท่า ไอ้กิเลมันก็จะเกี่ยวเฉาเหมือนกันมันอยู่นานไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกุดรากถอนโคนมันออกไปกุดรากถอนโกนแล้วเขาไปเผาวันนั่นเรียกว่าว่างทีนี้ก็จะเกิดความว่างวา่วางว่างว่างอย่างมาฐานทีนี้ว่างมาฐานเกิดแล้วนั่นเขาเรียกว่านิพพานนิพพานเรียกว่าสําเด็จเป็นพระอรหันเรียกว่าเป็นพระอรหัน <c oughs> นี่เป็นคําสมมติ เป็นกำสมุดดังนั้นแต่จริงๆแล้วไม่กล้าไปยึดถือผู้ที่เป็นพระสารจริงเขาไม่กล้าไปยึดถือว่าเขาเป็นอะไรเป็นสภาวะอย่างหนึ่งจิตมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่กล้าไปยึดถือในสภาวะอันนั้นถ้ากล้าไปยึดถือในสภาวะมันก็เป็นภาวะขึ้นมาอีกเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นภาวะขึ้นมาอีก อ, อ น, นี่ถ้าเราไม่ยึดถือโดยเด็ดขาด แล้วกว่าเป็นสภาวะคือเป็นธรรมชาติที่มันว่างจากตัวตนที่มันเป็นเช่นนั้นมันเองนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นทุกคนเมื่อเข้าใจแล้วอย่างที่พูดนี่ก็เหลืออย่างเดียวคือเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วเป็นหมันฟังแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันก็เป็นหมันเหมือนกันเป็นพระที่เรียนนักธรรมเรียนบาลีจบไปรเรียนก้าวประโยคเสร็จแล้วไปเป็นหมอดูหมอเดาเสร็จแล้วไปเป็น อะไรไปเป็นไปไปปั้นปลาไปหลอกปลาจำเรียนอยู่อยางนั้นเป็นหมันไอ้ที่เรียนมาตั้งแต่ประโยคสมถึงประโยค9ก้าะมันเป็นหมันเราไม่ได้เอาไปปฏิบัติเราก็เหมือนกันฟังแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัติทำวันนั้นเราก็าไปนอนอยู่เป็นหมันอยู่ไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์แต่นั้นให้ได้ประโยชน์จริงๆ เราต้องออกไปปฏิบัติด้วยแล้วก็จะเห็นจริงว่าโอ้นี่เป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้จริงแต่นั่นขอให้ทำวันนี้จงเจริญในจิต ใ, ใ, ในใจของญาติโยมให้เจริญทั้งทางกายทั้งทางวาาิชาทั้งทางทรัพย์สินเงินทองแต่แล้วก็อยากเข้าไปยึดมันม่นถือมั่นทำจิตได้ว่าจากตัวผู้ทำร่างกายว่าจากตัวผู้ ทำโลกให้ว่างจากตัวผู้ทำจักรวาลนี่ให้ว่างจากตัวผู้ทำตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างจากตัวผู้ทำรูปเสีย ง, งลกลิ่นรสรสชาติธรรมะเราไม่ว่างจากตัวผูแล้วก็อยู่กับความว่างอยู่กับความว่างอยู่กับความว่าเราก็จะมีความสงบเย็นขอความสงบเย็นนี้จงเกิดแก่ญาติโยมทุกทิปาราตรีกานเต